ทั้งหมดเริ่มเคลื่อนที่บุญคำเดินนำหน้าจากบริเวณที่พักลงไปก่อนทันทีลูกหาบแบกของตามขบวนพร้อมๆกับกลุ่มนายจ้างระปินขยับตัวโดยไม่สนใจใดๆกับคริสติน่าอีกแต่แล้วก็ชะงักนิดนึงเมื่อหล่อนเรียกมาเบาๆเอี้ยวคอมามองก็เห็นหล่อนก้าวเข้ามายืนเคียงไหลถามว่า ยังโกรธเรื่ออาคาตฉันอยู่อีกไหมระพินเขายิ้มนิดหนึ่งเอาฝ่ามือตบลอนสะโภกหลอนอย่างสัพยอกถือสนิทเป็นครั้งแรกก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรไปคริสเราจะลงทางบ่อคโคลนเดือดนะ่ะจะได้ตรวจ ด, ดูร่องรอยของไอตัวมหาประไลายที่มันโผล่ขึ้นมาเมื่อคืนนี่ให้เห็นชัดๆอีกครั้งน่งทั้งขบวนโดยการนาของบุญคา เคลื่อนจากบริเวณอันเป็นตำแหน่งพักนอนบ่ายหน้าตัดช่องทางโขดหินอันจะนำไปสู่บริเวณบ่อโคลนเดือดซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับลงไปอีกขั้นหนึ่งระพินและคริสติน่าแยกจากกลุ่มอยู่อีกทางหนึ่งไปบรรจบกับพวกนั้นตรงบริเวณปากทางแคบๆที่นำลงสู่เบื้องล่างเขายืนรออยู่ตรงตำแหน่งนั้นจนกระทั่งทุกคนล่วงหน้าลงไปก่อนแล้ว จึงสกัดหลังเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็มาหยุดยืนพิจารณายังบริเวณบ่อคโคลนเดือดนั่นอีกครั้งท่ามกลางแสงอรุณซึ่งส่องสว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเป็นการหยุดดูอย่างไม่ต้องนัดกันไว้เลยลักษณะของบ่อคโคลนประหลาด ย, ยังมีอาการอยู่เหมือนเดิมคือเดือดระอุมีพรายผุด ขึ้นมาเป็นลูกๆเหมือนจะมีความร้อนหรือใบพัดผลักดันอยู่เบื้องล่างสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความสยองใจก็คือรอยโครนและรอยของสัตว์ประหลาดที่เประเลอะเทอะอยู่บริเวณหนึ่งเห็นได้อย่างถนัดนอกเหนือไปจากร่องรอยโครนอันติดตัวมันขึ้นมาเหล่านั้นแล้วสิ่งที่น่าขนหัวลุกยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือรอยดำไม่เกลียมของก้อนหินตลอดจนเส้นทางที่มันเคลื่อนตัวผ่านลงไปตามหมูซอกโคถินมุ่งหน้าลงเส้นทางเบื้องต่งกลุ่มอเมริกันได้เชิดบุธรเข้าไปรวมหมูและพูดอะไรกันเบาๆด้วยสีหน้าไม่เป็นสุขนักคริสติน่าดูเหมือนจะทำหน้าที่อธิบายให้พักพวกฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งชี้ตาแหน่งให้ดู ว่าระวางเกิดเหตุหล่อนอยู่ตรงไหนและเคลื่อนย้ายไปที่ไหนและระพินอยู่ที่จุดใดเพราะบุคคลที่เผชิญเหตุการณ์สยองที่ผ่านมาก็มีอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นคือพรานใหญ่เองบุญคําจันทร์และตัวหล่อนเองเท่านั้นจอมพรานขณะนี้กําลังยืนแม้มดึมฝีปากมองไล่ตามทางรอยไหมเกรียมอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของมันไป เหมือนการตัดสินใจอะไรบางอย่างพวกพลานพื้นเมืองของเขาและพวกลูกหาบก็ยังไม่อาจเคลื่อนที่ต่อไปได้เนื่องจากรอคอยคำสั่งของเขาว่าจะให้ไปตามเส้นทางไหนแล้วกลุ่มของอเมริกันผู้เดินตรวจ ด, ดูจนรอบๆตามคำอธิบายของคริสติน่าก็พากันมาสมทบที่เขา คุณลงมาตรวจรอยตั้งแต่เช้ามืดก่อนพวกเราจะตื่นแล้วไม่ใช่เหรอระพินสแตนลีย์เอ่ยถามขึ้นเสียงต่ำๆเขากล่มสีสษนนิดนึงแทนคำตอบคุณถ้าพบอีกเราจะทำยังไงเนี่ยอิสเบลเอ่ยขึ้นแผวที่สุดความสะทกสะเทือนปรากฏให้เห็นในแววตาชัดขณะที่มองไปยังร่องรอยดำไหมเกรียมเหล่านั้น ภาวนาไว้ขออย่าให้พบอีกเลยดีกว่ามันสวดอ้อนวอนพระเจ้าเขาไว้เบ <Bear. S 1> ร์รพินมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรจะรู้นะเสียงเหมือนกระซิบของนายจอมบวยคือพันเอกลาริคิดเข้ามากระซิบกับเขาพานใหญ่เหลือบมองหน้าอะไรคิด คีดหันไปพยักหน้ากับคริสติน่าหรือไลล่าซึ่งบัดนี้เขาเห็นหล่อนถือเครื่องมืออะไรชนิดหนึ่งอันเขาไม่เคยเห็นมาก่อนลักษณะมองผาดผาดเหมือนเครื่องมือวัดอุณหภูมิอากาศแต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยแล้วก็มีหน้าปัดมาตรวัดประกอบกระตุม้มสัญญาณควบคุมหลายชนิดเต็มไปหมดโดยใช้เครื่องมือนั้นยื่นส่องเข้าไปยังบริเวณโขดหิน ตำแหน่งที่ไม่เกรียมบริเวณที่เขาหลบมุมและหมดสติไปเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามีเสียงสัญญาณมาจากเครื่องมือชนิดนั้นดังติกต๊กติก๊กติ๊กขึ้นเบาๆแต่มันก็พอจะได้ยินมาถึงหูเขาได้พร้อมกับสัญญาณไฟเขียวที่อยู่ใกล้ๆกับมือถือก็สว่างวูบวูบเป็นจังหวัดพอลอนยกเครื่องมือชนิดนั้น บ่ายเบนออกห่างทั้งสัญญาณเสียงที่ดังอยู่ติ๊กติ๊กและหลอดไฟเล็กสีเขียวก็ดับไปด้วยพอเจาเข้าไปใกล้มันก็ปรากฏขึ้นอีกอะไรล่ะครับไอท้ที่ที่คริสถืออยู่นะั่นมันอะไรรวพินถามด้วยความโงนดเรดิเอชันเซเวมิเตอร์ คิดตอบเสียงแหบๆความจริงเราไม่เคยคิดนะว่าจะต้องนำมันขึ้นมาใช้ก่อนในขณะนี้เลยจนกว่าเราจะแน่ใจว่าเข้าใกล้ตำแหน่งที่ตกของเครื่องบีห้าสิบสองลำนั้นแต่บางเอิญนะบางเอิญมันมีสัญญาณลั่นผิดปกติขึ้นแม้จะเบาสักขนาดไหนก็ตามคริสก็เลยเ อ, ออกมาตรวจสอบดูหมายความว่า ระพิงลืมตาโพโลงร้องออกมาแล้วฉับพลันนั้นเขาก็ก้าวพรวดพรวดตรงเข้าไปยังคริสตินาผู้กำลังพยายามใช้เครื่องมือชนิดนั้นตรวจสอบก็บบริเวณรอยที่ไหมกเกรียมเป็นทางนั้นไปอีกสองสามช่วงทุกคนของฝ่ายนายจ้างเดินตามเข้ามาทั้งหมดและทุกคนจ้องแม่นักเคมีฟิสิกสาวผมทองเป็นตาเดียวคริสเขาอุทานออกมา แม่ผมทอมีสีหน้ายากจะบรรยายเครื่องมือตรวจวัดกร ม, มันตะภาพรังสีในมือของหลอนมันดังดังหยุดหยุดอยู่เช่นนั้นสุดแต่หลอนจะส่องเข้าไปใกล้ร่องรอยนั้นมากน้อยเท่าใดและขณะนี้หลอนกำลังนั่งคุกเขา่าสํารวจดูอย่างจริงจังพร้อมทั้งอ่านลงไปบนหน้าปัดวัดเงื้อเริ่มผุดเป็นเม็ดพราวขึ้นบนหน้าผาก แปลไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเสียงคริสตินา่าพึมพำออกมาหัวคิ้วขมวดยามนี้ดูหล่อนจะไม่ได้สนใจอะไรกับเขาในฐานะพรานนำทางเลยแต่มีเจตนาที่จะพูดหรือปรึกษาหารือกับฝ่ายของหล่อนเองโดยเฉพาะอาจารย์คะถ้าไม่ใช่เพราะร่องรอยของไอ้ตัวประหลาดที่เราเห็นอยู่นี่และเครื่องส่งสัญญาณบอกเตือนอยู่อย่างนี้ สรุปแน่ได้ทันทีเลยว่าระเบิดลูกนั้นไม่น่าจะตกอยู่ห่างจากตำแหน่งที่พวกเราอยู่เท่าใดนะักแล้วก็บอกได้ทันทีด้วยว่าเปลือกนอกของมันคงมีรอยชํารุดรั่วมีรังสีเล็ดลอดออกมาให้เราตรวจพบได้เบาบางตอนนี้มันน่าจะเกิดขึ้นจากร่องรอยของไอ้ตัวมหาประไลยนั่นเะมากกว่าเพราะทุกแห่งที่มันทิ้งรอยไหมเกรียมไว้มาตวัดชี้บอก ปริมาณกำมันตะภาพรังสีอย่างแน่ชัดแม้จะเป็นส่วนน้อยนิดสักเพียงไหนก็ตามมาวัดได้เท่าไหร่คริ ส, สแตนีร้องถามเร็วหรือแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะกัดดมฝีปากบางแห่งสามสิบห้าอาและบางแห่งก็สี่สิบอารค่ะยังไม่ปรากฏผลในด้านอันตราย บอกแค่นั้นแล้วหล่อนก็ผุดลุกขึ้นเดินตรวจวัดต่อไปอีกตามแนวทางนั้นรบพินหันขวับไปทางหัวหน้าคณะกับคิดทันทีทำไมพวกคุณไม่บอกให้ผมเข้าใจมั่งอันนี้ว่ามันหมายถึงอะไรยังไงเขาถามเสียงห้นวดนะักกแลยมือขึ้ ซึ่งรพินเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกจากหัวหน้าคณะเดินทางรพินสัตว์ประหลาดที่โผล่ขึ้นมาจากบ่อโครนประจันหน้ากับคุณเมื่อคืนเนี่ยนะมันมีกำมันตาภาพรังสีอยู่ในตัวของมันด้วยคริสตรวจพบด้วยเครื่องวัดเรเดียชันเซเวของเขาตามเส้นทางที่มันเลื้อยผ่านวัดได้ระหว่าง 35-40 เรนเกน ซึ่งอัตราขนาดนี้ยังไม่ถึงกับเป็นอันต ร, รายต่อสัตว์หรือมนุษย์แต่ถ้ามันเกินแปดสิบเกินเก้นขึ้นไปเมื่อไหรแล้วก็เห็นจะยุ่งทีเดียวละคุณสัตว์พิสดารตัวนั้นมีต่อมนิวเคลียร์อยู่ในตัวของมันคล้ายๆกระแสไฟฟ้าจากพวกกระไหลไฟฟ้าแต่นี่มันไม่ใช่ไฟฟ้ามันเป็นกำมันตภาพรังสีประโยคหลังเขาพูดเบาที่สุด ปรพินไพรวันยืนตัวแข็งไปชั่วขณะหนึง่งในใจของเขาดูเหมือนจะภาวนาว่าชินานุภาเวนะชิตุ ป, ปัตเถาบหวนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก็ตัดสินใจถูกแล้วที่ใช้วิธีสวดภาวนาแผ่เมตตาให้แกสัตมหัศจรรย์นตนนั้น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 เพราะหลีกไม่พ้นรัศมีของมันได้แน่นอนเชิดวุธอ้าปากค้างมือกำลวงพ่อทั่วที่ห้อยคออยู่แน่นเบลและคิดสาวเท้าตามหลังคริสติน่าผู้กำลังพยายามตรวจสอบไปเรื่อยๆและคนทั้งสามเหล่านั้นก็พูดอะไรกันซุบซิบอย่างเคร่งเครียดจริงจังคงมีก็แต่จอมพรานหัวหน้าคณะและเชิดวุฒเท่านั้น ที่ยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมส่วนพวกลูกหาบไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่หยุดรออยู่เมื่อยังเห็นคณะเจ้านายพากันหยุดชะงักตรวจสอบอะไรกันอยู่พี่เอาไงดีนี่ไอ้ร้อยหมื่นภัยที่เรารเผชิญหน้าอยู่นี่มันก็เทียบไม่ได้แล้วน ะ, กะไก่ตัวมหาประไลที่โผล่ขึ้นมาจากใต้บาดาลนั่นแต่เจออีกชิบหายแน่ ตายเกลี้ยงไม่มีทางสกัดกัน้นบ้องกันอะไรได้เลยระพินยิ้มเยือกเย็นเหนือฟ้ามีฟ้าครับคุณเชิดบุตรเหนือจั ก, กรวาลก็ยังมีจั ก, กรวาลครอบคลุมอยู่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบแล้วมั่นคงในสัจจะเข้าไว้เลยครับไม่มีอะไรมาทำอันตรายเราได้หรอก ถ้าหากว่าเขาคิดจะทำอะไรเราป่านี้ผมคริสบุญคำหรือ ก, ก็จันหมอดไม้เป็นคีดเท่าไปก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนทำใจดีๆป่ะครับคุณวุฒิกล่าวจบประโยคเขาก็พยักหน้ากับทั้งสองให้เดินตรงเข้าไปที่คริสขณะนั้นล่อนลุกขึ้นยืนแล้วสีหน้าขาวเหมือนศพแต่ก็ยังดูสงบ ไม่ส่ออะไรให้เห็นชัดนะักคริสคุณต้องรู้ดีกว่าผมบอกตามตรงที่ครับว่ามีตำแหน่งหรือบริเวณไหนบ้างไหมที่คุณตรวจพบกำมันตภาพที่มันอยู่ในเกณฑ์อันตรายสำหรับพวกเราเพราะผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเดินลงจากยอดเขาลูกนี้โดยตามเส้นทางเลื้อยของสัตว์ประหลาดตัวนี้ไป รพินพูดเสียงเคร่งขรึมจริงจังจ้องตาเขมงมาตรวัดบอกอัตราไม่เกินห0บอาทุกแห่งเท่าที่ตรวจบริเวณ น, นี้หล่อนบอกพยายามทำเสียงให้เป็นปกติและถ้ามันไม่เกินไปกว่านี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิน้นเพลงแต่มันบอกให้เรารู้เท่านั้นว่ามันทิ้งร่องรอยของกำมันตาภาพรังสีเอาไว้ ตามเส้นทางที่เลื้อยผ่านไปว่าแต่คุณมีเหตุผลอะไรนะที่จะต้องเดินตามรอยของมันไปเราควรจะแยกให้ห่างไกลออกไปให้มากที่สุดไม่ใช่เหรอถ้าจะพิจารณากันถึงด้านความปลอดภัยเมื่อทุกคนเชื่อผมมาแล้วก็ขอเชื่อตลอดไปดีกว่าครับความเป็นความตายของทุกคนอยู่ในความรับผิดชอบของผมอย่างเต็มที่ครับ เหตุผลที่ผมต้องการเดินตามรอยของเขาไปก็เพราะว่าผมมีสังหรณ์ว่าเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราและเขาน้าจะนาเราไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่นาไปสู่ทางหายนะครับเอางั้นเลยฝ่ายอเมริกันทุกคนร้องถามเขาราวกันนัดกันไว้ระผินพยักหน้าครับเอาอย่างที่ผมว่านี่แหละเพียงแต่ขอให้คริส คอยตรวจสอบขนาดของกรรมันตภาพรังสีไว้ทุกระยะก็แล้วกันถ้ามันยังไม่อยู่ในเกณฑ์จะเกิดอันตรายขึ้นเราก็จะตามรอยเส้นทางเลื้อยนี่ไปเรื่อยๆในระยะแรกจนกว่าจะพบแหล่งน้ำและอาหารแต่ถ้ามาตรวัดมันบอกขีดอันตรายเมื่อไหร่ก็อบอกผมทันทีเราจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับอาจารย์ว่าไงคะคริสเตียน คริสติน่าหันไปทางหัวหน้าของหล่อนอย่างไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดรสแตนลีเข้าสู่การตัดสินใจทันทีอย่างคนจริงเช่นกันเอาเอาเอาอย่างรบพินว่าดาบใดก็ตามที่เรายังถือว่าเขาคือผู้นำทางของเราเอาตกลงไปคริสติน่าก็พูดง่ายเหมือนกันตบไหลเขาโดยแรงบุญคำ เดินตามรอยเลื้อยของพญายนาคบอกทุกคนด้วยว่าอย่าดาอย่าสบทอย่าพูดคำอย่าปลุนเขาหันไปร้องสั่งตาพรานเท่ามือขวาที่รอรับคำสั่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำลงไปแกก็หมุนตัวกลับออกเดินต่อทันทีหนึ่งยสอ็ดขนทางนั้นสะดวกง่ายดายที่สุด แม้จะมีทางด่านแยกสายอยู่มากมายตามแนวที่จะบ่ายหน้าลงอันเต็มไปด้วยแก้งแง่โคหินนั้นแต่รอยเลื่อยผ่านไปของสัตว์ประหลาดทึงทิ้งรอยไม้เกรียมไว้ตามพื้นหินสังเกตได้ง่ายที่สุดบุญคำนำเลาะลัดไปตามเส้นทางนั้นทันทีอย่างไม่มีการลังเลเพราะรู้มือเจ้านายดีอยู่แล้ว ทั้งคณะเดินเข้าขบวนกันไปอย่างสงบและเงียบกริบบนยอดเขาที่ล้วนแล้วไปด้วยป่าหินสุดจะแห้งแล้งกันดานและโดยข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้ากับประพินคริสติน่าขึ้นไปเดินเคียงอยู่กตาเท่าเพราะหล่อนมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบปริมาณของกำมันตภาพรังสีอยู่ตลอดเวลาว่าตำแหน่งไหนบริเวณใดโดยเส้นทางที่เลื้อยไปของสัตว์ประหลาด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 และเบลปิดหลังพวกลูกหาบอีกทีหนึ่งโดยมีจันทร์เกิดและเสรยระวังอยู่ท้ายขบวนการติดต่อจะใช้วิทยุสอบถามกันในบางครั้งเท่านั้นทิศทางกาตามการเลื้อยไปของสัตว์ประหลาดนําลงสู่เบื้องตามทุกขนะและเป็นเส้นทางที่เดินกันไปได้อย่างสะดวกพอสมควรไม่มีตําแหน่งไหนที่ยากต่อการเดิน หรือต้องเสี่ยงต่อการปีนป่ายเลยผิดกวันวานนี้มากเพียงแต่ละลักซอกซอนไปตามหมู่หินน้อยใหญ่เท่านั้นและโดยเข็มทิศของฝ่ายนายจ้างที่หัวหน้าคณะมันตรวจสอบอยู่เสมอปรากฏว่ามันตรงกับที่จอมัคุเทศบอกเจตนาเขาไว้แต่แรกแล้วทุกประการ น, นั่นคือบายหน้าไปทางเหนือเฉียงตะวันตกเล็กน้อย แดดวันนี้ไม่แรงจัดนะักและมีลมพัดโชยพลิ้วอยู่ตลอดเวลาดูจะเป็นเลิกของการเดินทางที่ดีอยู่ไม่ใช่น้อยและนานๆครั้งจะได้พบเส้นทางที่เดินได้อย่างสบายเช่นนี้เพียงแต่ว่าจิตใจของฝ่ายนายจ้างและลูกหาบทุกคนอดไม่ได้ที่จะระทึกไหววาดวันเพราะพามาเดินตามเส้นทางของไอตัวมหาประไลย เหมือนจะแกะรอยมันฉะนั้นสแตนลีย์คอยเรียกวิทยุถามคริสติน่าอยู่แทบทุกทุกยนาทีถึงอัตรามากวัดกำมันตภาพรังสีซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเพราะอย่างสูงสุดบริเวณที่คล้ายมันจะหยุดเสียดสีตัวอยู่กับโขดหินใหญ่ก็มีอยู่ไม่เกิน50หน่วยอาและบางบริเวณ แม้จะมีรอยดำไมมเกรียมอันแสดงถึงความร้อนแรงในขณะที่มันผ่านไปแต่ปรากฏว่าไม่มีขนาดของกรรมันตาภาพปรากฏขึ้นเลยอัตราเป็นศูนย์คล้ายๆกับว่ามันขึ้นอยู่กับเคมีาธาตุพิเศษของตัวมันจะปล่อยทิ้งไว้หรือไม่เท่านั้นฉันไม่ชอบการเดินแบบเกือบจะเป็นแถวเรียงเดี่ยวตามกันแบบนี้เลย ทำไมเราไม่เดินเป็นกลุ่มไปพร้อมๆกันเนี่ยตอนหนึ่งเบลเ อ, อ่ยขึ้นอย่างไรเหี้ยการเดินป่าในเส้นทางอันตรายและจะต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวเราก็ต้องเดินแบบนี้แหละเบลจะมามัวเดินจับกลุ่มกันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะจะต้องระวังหน้าระวังกลางแล้วก็ระวังหลังทุกระยะจนกว่าจะเข้าสู่เส้นทางที่พอจะไว้วางใจได้ แล้วภูมิประเทศอํานวยเชิดวุฒิเป็นคนตอบและตั้งใจจะให้สแตนลีกับคีธพลอยเข้าใจด้วยน้ำเคมีของหน่วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งแจกโดยคณะอเมริกันสําแดงคุณภาพให้ระพินและพวกพรานลูกน้องของเขาตลอดจนลูกหาบทุกคนได้ประจักษ์แล้วจริงอยู่มันอาจจะไม่ชุ่มชื่นชำคอเหมือนได้ดื่มน้าสะอาดบริสุทธิ์ แต่ทุกคนที่เดินกันอย่างหนักสำหรับเช้ามาตลอดจนสายวันนี้ไม่มีใครรู้สึกกระหายน้ำเลยมันช่วยชดเชยการขาดน้ำได้อย่างมหาศันร์และไม่ทำให้คอแห้งซ้ำยังทำให้กระชุ่มกระชวยมีพลังงานเพิ่มเป็นพิเศษด้วยฤทธิ์ของกลูโคสกับแร่ธาตุวิตามินบางชนิดในด้านเสริมสร้างพลังที่สึกหรอไปชาติมหามนาจ มหาเศรษฐีมันก็เป็นอย่างนี้แหละอุปกรณ์เครื่องช่วยเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมมูลทุกชนิดซึ่งก็เป็นความเบาใจของระพินขึ้นอีกเป็นอย่างมากขึ้นชั่วโมงที่สามของการเดินกับอย่างไม่มีการหยุดเลยและไม่ได้แยกทางจากรอยที่เลื่อยเหมือนจะนำทางไปให้โดยสัตว์พิศดารตนนั้นป่าหินอันแห้งแล้ง เริ่มจะมีร่องรอยของพันไม้เขียวปรากฏให้เห็นประเภทสนภูเขาและวัชพืชบางชนิดซึ่งเริ่มจะถี่หนาตาขึ้นตามลำดับเพียงแต่ว่าตลอดระยะทางมานั้นนอกจากหินหินแล้วก็หินแล้วมองไม่เห็นวิวแววของสิ่งมีชีวิตอะไรเลยแม้แต่นกบนอากาศสักตัวเดียวไม่พบ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 คิดตะโกนออกมาดังๆอย่างยินดีเมื่อมองเห็นความชฉลิมสดชื่นอันสวยสดระการตานั้นสเตลลี่เองก็ยิ้มออกมาว่าเออเอากัหมอสิเราไม่คิดว่าเพียงแค่สามชั่วโมงเท่านั้นที่เขาตัดสินใจเดินตามเส้นทางไอ้ตัวสัตว์นิวเคลียร์นั่นมาเราจะพบกับความหวังที่ดีขึ้นแบบนี้เชิด ว, วุดหัวเราะอย่างดีใจเข้ามาร่วมกอดคอเบลไว้อีกคนหนึ่ง กลายเป็นเดินเรียงหน้ากระดานไปสามคนโธ่ด็อกเตอร์คุณน่ะพูดเหมือนเพิ่งจะมารู้จักระพินไพรวันวันนี้งั้นแหละผมนะ่ะไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์มานานแล้วคนคนนี้ไม่มีวันพลาดหรอกสำหรับเส้นทางเดินในป่าแบลนปลดวิทยุออกจากเอวกรอกเสียงใสลงไปครองเกชวเลชันมิสเตอร์ฮันเตอร์ เราพบสัญลักษณ์แห่งชีวิตแล้วโอ้คุณเลือกทางไม่ผิดเลยขาดเสียงเบลก็มีเสียงเรียบๆของจอมพรานดังออกมาจากลำโพงของวิทยุจิ๋วของกลุ่มบุคคลเบื้องหลังว่าอย่าเพิ่งดีใจกันนักเลยครับผมอาจนำทางมาผิดก็ได้ครับพูดได้ชัดสิหมายความว่างไงคิดร้องถามออกไป เพราะต่างฝ่ายต่างยังมองไม่เห็นตัวกันเนื่องจากเนินหินบางส่วนและฉากของละเมะไม้เขียวขจีบังไว้ทางด้านรพินพูดเงียบไปครู่ก็ตอบมาในน้ําเสียงต่ําลึกเช่นเดิมว่าฟังนะครับไอตัวที่เราตามมาดูเหมือนจะมอบดูพวกเราอยู่บนชะงอนหินฝั่งขวามือห่างขึ้นไปไม่เกินร้อยหลานี่เอง พงหญ้าเขียวสดที่เราเห็นไหมเกรียมเป็นทางเราก็ใครมาลากท่อนสูงติดไฟขึ้นไปบางตำแหน่งยังลุกเป็นไฟอยู่เลยมาตรวัดกำมมันตาภาพรังสีของคริสตอนนี้ชี้บอกอัตราขึ้นถึงร้อยเรินเกนแล้วครับเฮ้ยคิดสแตนลีและเชิร์ุธอุทานออกมาพร้อมๆกันเอาไงบอกเร็วรับพินสแตนลีและล่มละลักพูดวิทยุออกไป ความชื่นชมยินดีต่อภูมิประเทศบัดนี้หมดสิ้นประลาศนาการไปเรากับใครมากระชากวูบไปหัวใจแทบจะหยุดลงไปอยู่ปลายเทา้าทุกคนหยุดกับที่ก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวสั่งหยุดลูกหาบและเรียกจันให้เข้ามาพูดวิทยุกับผมด่วนที่สุดครับคราวนี้เสียงระพินพูดเร็วผืนเชิดวุธร้องบอกไปทางหัวหน้าลูกหาบที่กาลังเดินงุดงุดกันอยู่ให้หยุดทันที ส่นสตาลีหันไปควักมือเรียกกลุ่มของเกิดเซยและจันที่เดินคุมอยู่เบื้องหลังห่างออกไปราวสิบเมตรด้วยอาการร้อนรนพวกนั้นพอเห็นอาการเข้าก็แล่นปราดขึ้นมาทันทีหน้าตื่นยังไม่รู้เรื่องอะไรอะไรครับนายห้างมีอะไรหัวหน้าเดินทางส่งวิทยุให้จันทันทีจันทรายใหญ่ต้องการผู้กับจันด่วนผู้กับเขาเร็วจันทำหน้าเลือกหลัก พอเชิดวุฒกระชาก ค, คอตวาดมาเบาๆอีกคนนึงสมุนทรายของระพินจึงพูดกรอกลงไปในวิทยุมือถือนายนี่จันพูดจันเสียงหนักๆแต่ค่อนข้างเบาของระพินดังมานำพวกนายห้างและลูกหาบทั้งหมดตัดทางด้านซ้ายเดี๋ยวนี้เร็วที่สุดนะไม่ต้องเดินตามรอยฉันมาให้ตรงไปยังป่าสน ตรงที่เห็นก้อนหินยอดแหลมๆเหมือนเจดีโผล่อยู่สามยอดนะ่ะมองเห็นไหมจันหันไปมองแล้วตอบว่าเห็นแล้วนายมีไรเออทางมันชันจะตายอะ่ะเดินลาบากไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นทางจะชันยังไงก็ลงไปให้ได้เดินไม่ได้ก็กลิ้งลงไปทำตามค า, า, าสั่งเดี๋ยวนี้พ่อมึงนอนยิ้มขวางหน้าอยู่ น, น่นตัวแดงเนี่ยกระฐานไฟจันรองเฮ้ ออกมาคําหนึ่งอย่างตกใจสุดขีดเพราะสําเนีจอในกระแสเสียงของเจ้านายได้ด้วยความคุ้นเคยรีบโบกมือต้อนพวกลูกห่าให้ไต่ทางอันลาดชันแต่อุดมไปด้วยแง่งแต่แง่หินโดยเร็วพร้อมทั้งร้องเร่งพวกเจ้านายให้ลงไปด้วยเร็วเร็วเร็เร็ร็วนายฮั่งนาแมมถ้านายรับพินบอกมาอย่างนี้เลยช้าไม่ได้แล้วมีหวังไต่โขงกัหมดเร็วเร็เร็เร็เร็ทุกคนขยับตัวพลิกทันที บรรยากาศมันเปลี่ยนไปใช่แล้วเสรยเกิดและจัน์รงเข้าประกบตัวคิดเชิดวุธและอิสเบร์คนละคนช่วยประคองให้ไต่ลงข้างทางอย่างรีบด่วนเบนนั้นขณะที่ปีนป่ายลงก็ละล่ำละลักถามออกไปด้วยความเป็นห่วงว่าระพิตแล้วคุณอยู่ไหนอ่ะคริสติน่ากระบุญคำละ่ะอยู่ที่ไหนทั้งสองคนกาลังอาเจียนและก็วิงเวียน แต่ยังพอมีกำลังที่จะต ก, กายลงไปได้ไม่ต้องห่วงท้งนี้ผมดูแลเองพวกคุณน่ะลงไปให้เร็วที่สุดลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปเร็วๆตะวันใกล้เที่ยงซึ่งสำหรับเช้าวันนี้ฉายแสงอ่อนเรืองผิดสภาพไปกว่าความแผดจ้าของทุกวันดูเหมือนจะรีโรยแสงลงไปอีกและแล้วบรรยากาศก็กลายเป็นร่มสลัวในฉับพลันเมื่อเมฆสีดาก้อนใหญ่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 ตะเกียกตะกายเกาะแง่หินกันลงมาชนิดแข่งกับเวลาโดยไม่ฟังเสียงอะไรอีกทั้งสิ้นเพราะถือว่าคาสั่งคือคาสั่งทั้งหมดถลายลื่นบ้างกลิ้งลงไปตามเส้นทางอันลึกชันนั้นบ้างอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่าชุนละมุนทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงกับอันตรายใดๆนักนอกจากอาการถลอกบอกเปิกบ้างคนละเล็กละน้อยความเคยชินต่อสถานการณ์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 ชุดดึงลากจูงและประคองกันลงมาจนกระทั่งถึงบริเวณโคกสูงของพื้นที่ปกคลุมไปด้วยพื้นหญ้าเขียวชุ่มราวกับปูลาดไว้ด้วยพรมในระยะเวลาอันรวดเร็วฉับไวที่สุดเสียงเหมือนฟ้าร้องนั้นแว่วสะเทือนตามคลื่นอากาศมาเป็นระยะระยะกลุ่มนายจ้างทั้งสี่หวาพวังเมื่อมาถึงเนินหญ้านั้น พยายามจังแงนมองค้นหาขึ้นไปทางด้านบนและมีอาการเหมือนต้องการจะวิทยุติด ต, ต่อกับประพิน์หรือคริสติน่าอีกแต่จันไม่ยอมไม่เสียเวลาเลยไล่ตอนผลักใสให้กลุ่มนายจ้างทั้งสี่ไปลงเนินห ญ, ญ้านั้นต่อไปเพื่อมุ่งลงหาไล่เขาบริเวณป่าสนที่ค่อนข้างทอันมีก้อนหินสีขาวลักษณะเป็นยอดปลายแหลมโผล่งอกสูงเด่นขึ้นมา สังเกตได้ชัดสามย่ออันเป็นตำแหน่งที่ระพินสั่งไว้เป็นครั้งสุดท้ายให้ทุกคนไปรวมกันอยู่ที่นั่นบากของจันก็ร้องเร่งอยู่ตลอดเวลาโกโกโกโก้ Go! Go! Go! Go! Go! ซึ่งดูเหมือนเขาจะรู้ความหมายอยู่แค่คำเดียวส่วนเกิดกระเสยทำหน้าที่ต้อนลูกหาบโดยไม่ยอมให้ใครมัวล่าช้าอยู่ได้เลยผู้ของอูทะและพะโต้แม้จะเป็นกะเหลี่ยงดงแท้ แต่ความคล่องตัวก็ยังน้อยกว่าพวกลูกหาบของระพินท on ี่น <te apt ain> <But S 1> ํามาจากหนองน้ําแห้งถูกทั้งสองผลักบ้างทีบบ้างกริ้งลุ้นลุ้นกล้มลุกคลุกคลานไปพร้อมกับหีบพลังวิทยุที่แบกอยู่ตามพื้นหญ้าอ่อนนุ่มมันและอย่าว่าแต่พวกลูกหาบที่แบกของเลยแม้แต่สเตนลีคิดหรืออิสเบลหรือเชิดบุตรเองก็ยังล้มลงกริ้งกันคนละสองสามครั้งในขณะที่วิ่งหัวปากหัวปาลงมา ตามเนินหญ้าลงไปสู่ไหลเขานั้นโชคดีที่เป็นพื้นนุ่มและมีเนินซ้อนเนินเป็นที่คอยดักรับไว้เป็นระยะระยะไม่ได้ลากชันตลอดจึงไม่ได้กลิ้งกันลงมาไกลนักสองสามทอดก็พอจะพยุงตัวลุกขึ้นมาใหม่ได้ข้าวของอะไรของใครพลัดตกก็เป็นหน้าที่ของพรานทั้งสามช่วยกันตามเก็บติดมือมาให้คนทั้งสปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะไม่มีระพินยอยู่ด้วยก็ตามเสียงอิสเบรไรคิดร้องอุทานอยู่ตลอดเวลาขณะที่แล่นหัวสุนลงมาปะทะใครต่อใครที่ล่วงหน้าลงไปก่อนแล้วพากันล้มระเนระนาดครั้งแล้วครั้งเล่ามันเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดแข่งกับความตายทุกคนย่อมสำนึกได้เป็นอย่างดีรายงานข่าวครั้งสุดท้ายของระพินแม้จะฟังว่าเืบจะปกติราบเรียบที่สุด แต่ความหมายของมันบ่งชัดถึงอะไรระดับกรรมมันตะภาพรังสีที่เพิ่มขึ้นเป็นหน่วยร้อยอาอย่างกระทันหันอาการอาเจียนวิงเวียนที่เกิดขึ้นกับคริสติน่าและบุญคำลักษณะที่พรานใหญ่บอกว่าเห็นตัวพยาัจตุราชที่ใบดักรอหน้าอยู่ในระยะไม่ห่างนั่ น, น, นคือวิกฤตการณ์ที่บ่งบอกความหมายชัดเกินกว่าที่จะต้องมาเสียเวลาอธิบายอะไรกันมากยิ่งช้าเท่าไหร่ ความหวังในการรอดก็น้อยลงแค่นั้นในยามนี้ขณะที่ทุกคนแล่นตะเลิดเปิดเปิงแยกเส้นทางหนีกันลงมาก็ไม่มีอะไรบอกได้ว่าสามคนที่เดินไปเผชิญล่วงหน้าแลว้วคือรับหินบุญคำและคริสตินา่าจะตกอยู่ในสภาวะเช่นไรและไอตัวไฟประลายกันซึ่งมีตอมนิวเคลียร์อยู่ในตัวของมันจะแล่นไป ต, ตามลงมาหยิบยื่นมรณาการให้แกคณะหรือไม่ ทุกคนอยู่ในลักษณะกระหืดกระหอบลนลานส่วนทางด้านรับพินซึ่งมองไม่เห็นตัวกันเลยภายหลังเมื่อสั่งความกับจันแล้วก็ไม่มีเสียงของเขาคริสหรือแม้แต่บุญคำแวววออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุของพักพวกคนใดอีกเลยระหว่างที่กระเจิดกระเจิงกันลงมานั้นทั้งหมดเต็มไปได้วยความวิตกเป็นห่วงบุคคลทั้งสจนบอกไม่ถูกคิดว่าอาจจะได้ยินเสียงไรเฟินจากรบพิน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 นอกจากเสียงลมแรงที่พัดอู้จนยอดสนภูเขาลู่ระเนนและเสียงฟ้าร้องครา ง, งคลืนมาไกลแสนไกลเท่านั้นครั้นแล้วชั่วไม่นานทั้งคณะโดยการนำของจัน์เกิดและสื่อก็ตาลีตาเลือกลงมาถึงป่าสนตำแหน่งหินลักษณะเหมือนเจดีสามองค์นั้นจนได้ในลักษณะที่ต่างก็หอบกันจนตัวโยนทุกคนอ้าปากค้า หายใจแรงๆพวกลูกหาบถึงก็ลงสุดนั่งแพรา้าแต่ฝ่ายนายจ้างคือหัวหน้าคณะคีตอิสเบรและเชิดบุญกับพรานทั้งสามของรพินยืนพิงก้อนหินบ้างต้นสนบ้างหันหน้ากลับไปยังยอดเนินอันแลเห็นเป็นทิวเหมือนมีกำแพงหินกั้นยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาซึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแน่นอนบนนั้น จะต้องเป็นบริเวณที่ทั้งสมคนประสบเหตุการณ์เพียงแต่ยังกะบริเวณไม่ได้ชัดเท่านั้นว่าควรจะเป็นตรงไหนแน่สูงกว่าระดับนั้นขึ้นไปอีกก็เป็นชั ง, งอนของเชิงภูเขาหินตรมืนระเกะระกะไปหมดทั้งทั้งที่ยังหอบอยู่สเตลลียกวิทยุ ข, ขึ้นเคลียรเรียกทีทีกระหืดกระหอบลงไปในไม้ประจําเครื่องเรียกระพินคริสบุญคม เรียกระพินคริสบุญคำใครก็ได้ถ้าได้ยินตอบดวนตอบดวนเงียบกริบอเมริกันอาวุโสกัดเป็นฝีปากแน่เขาทวนประโยคนั้นในลักษณะเกือเป็นตะโกนอีกสองสาครั้งผมก็ยังเป็นอยู่เช่นเดิมไม่มีเสียงของคนใดคนหนึ่งซึ่งล้วนมีวิทยุประจำตัวอยู่ทั้งสิ้นในขณะนี้ตอบคุมาเลย เหมือนกับพวกเราออตัวรอดมาตามลำพังนี่บานนี้สามคนนั่นเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้สิสแตนลีลดวิทยุลงขม ค, ความเหนื่อยแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงในขณะนี้เจ้าหันไปประกาศกับทุกคนที่แวดล้อมอยู่คิดตัดสินใจในทันทีนั้นบอกเสียงเร็วมาว่าบอกแกฉันแล้วก็จันสามคนย้อนกลับคุณไปดูพวกนั้นเดี๋ยวนี้เลยข้างล่างนี้ให้วุ เบลแลวก็พานอีกสองคนกับพวกลูกหาบอยู่ตรงนี้ก่อนบ้าที่จะขึ้นไปทั้งสามคนนั่นผมต้องขึ้นไปด้วยเชิดบุตรร้องแทรกขึ้นมาบัดนี้ความเป็นห่วงระพินและคริสทำให้เขาลืมแม้กระทั่งความตายไม่มีเวลามาต่อรองอะไรกันอีกแล้วสไตลีร้องสั่งจันให้นำหน้าทันที เพียงแต่สัญญาณชี้มือไปยังแนวโขดหินด้านที่สงสัยว่าฝ่ายของรพินควรจะอยู่บริเวณนั้นจันก็เข้าใจได้ช่วยไรเฟิลที่พิงต้นสนอยู่ขึ้นมาเต้าออกเดินไตเนินตัดเฉียงขึ้นตามแนวซีกซ้ายมือโดยหลีกเลี่ยงทิศทางที่ไตแง่หินกันมาโดยตลอดไปใเพราะมันเป็นคนละองศากันกับที่ตะกายกันลงมาตะกี้สเตนลีย์เชิด บ, บุตร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 คอยฟังข่าวพวกนั้นแล้วกันอยู่กระเกิดกระเซยตรงนี้แหละพรานเด็กหนุ่มทั้งสองช่วยกันปลุกปลอบใจและรังตัวไวเมื่อเห็นว่าหล่อนพยายามจะยืนขึ้นให้ได้ขณะที่ทั้งสามคนโดยการนำของจันร์กำลังไต่เนินขึ้นไปอีกครั้งอย่างรีบเรๆทันใดนั้นเองทุกคนก็สะดุง้งประสาททุกส่วนโชนชันขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงตะโกนลั่นของจันกึกกล้องว่า โน่นที่ทำประคองแมมคริสลงมาโน่นแล้วไฟที่กำลังไตเนินหญ้าขึ้นไปทั้งหมดหยุดชะงักเงยหน้าขึ้นทันทีระยะห่างสูงขึ้นไปประมาณ250เมตรขนาดมองเห็นกันได้ถนัดภาพของคนสองคนกำลังเกาะแขนเดินโซเซกันลงมาตามแนวลาดของเนินหญ้าคนหนึ่งคือบุญคำมือขวาของกระพิน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 ดูเหมือนว่าทั้งสองจะมองเห็นพรรคพวกที่กำลังนั่งพักกันอยู่และกำลังวิ่งสวนขึ้นไปเช่นกันบุญคำธรรมาการโบกมือครั้งหนึ่งเหมือนจะบอกให้พวกนั้นรออยู่ตรงนั้นเพราะกำลังเดินลงไปแล้วแต่สตาลีเชิร์ตบุตรคีดและจัน์กลับยิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นไปพร้อมทั้งตะโกนสุดเสียงทั้งปากเปลา่าทั้งวิทยุแต่ยังไงบ้างรพินอยู่ไหน รับพินอยู่ไหนโดยปกติแล้วถ้ามีวิทยุอยู่ในตัวซึ่งก็น่าจะมีเพราะทั้งบุญคำและคริสติน่าก็ติดตัวกันอยู่คนละเครื่องก็ควรจะตอบลงมาแล้วส่วนการจะใช้เสียงตะโกนนั้นระยะขนาดนี้ไม่ได้ยินแน่แต่เสียงวิทยุจากทั้งสองก็ไม่ได้แววลงมาเลยคงเห็นแต่อาการของบุญคาที่โบกไม้โบกมือทาสัญญาณให้สงบรอกันอยู่ที่เดิม วิทยุของสองคนนั่นอยู่ไหนทำไมถึงไม่ใช้วิทยุ ต, ตอบเราขณะที่ยังวิ่งตะกายกันขึ้นไปเท่าที่กำลังจะมีอยู่ได้สเตลีร้องเสียงหลงทุกคนเต็มไปได้วยความแปลกใจชั่วไม่หยุดใจและโดยครึ่งทางฝ่ายหนึ่งถลไห ล, ลื่นตัปัดตเปกันลงมากับอีกฝ่ายหนึ่งพลูกันขึ้นไปทั้งสองฝ่ายก็เข้าถึงตัวกัน ริสติน่าปล่อยแขนที่เกาะไหลบุญคำไว้ถลายอย่างหมดแรงเข้าไปที่คีดซึ่งกลางแขนออกประคองรับไว้ได้ลักษณะของหลอนเหมือนคนที่กำลังเป็นลมส่วนบุญคำพอพบกับพักพวกครึ่งทางแกก็หมดกำลังหวัวซุนลงมาทำท่าจะกลิ้งลงมาตามพื้นหญ้าเชิดพุดธดักไว้ได้เหมือนดักลูกรักบี้และทั้งสองก็ถูกประคองให้นอนแพอยู่บนเนินหญ้าตรงนั้น ชั่วขนะพร้อมกับเสียงร้องถามฟังไม่เป็นสั์เร็วหรือจากพักพวกที่ขึ้นไปรับคริสนั้นยังพูดอะไรไม่ออกหน้าของหลอนซี่จมเขียวริมฝีปากแห้งทาดปริกตัวจากอ้อมแขนประคองของคริสคว่ำหน้าลงกับพื้นยากแล้วอาเจียนขยักขย่ยอนไม่มีอะไรออกมาอีกแล้วนอกจากลมส่วนบุญคำ นอนหงายแผร้าอยู่ในวงแขนของเชิดบุตรหน้าของแกดูเหมือนคนถูกผีหลอกเสียงอุกอิบอยู่ในลําคอฟังไม่เป็นภาษาคนไม่สามารถจะเข็นออกมาได้ในขณะ น, นี้ว่ารพิน์ใครวันอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างและสภาพของทั้งสองก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเช่นไรสองสามครั้งที่ตาท่าบุญคํำพยายามจะลุกขึ้นมาคลานแต่แล้วก็หัวทิ่มลงไปอีก เหมือนคนเมาเหล้าขนาดหนักโอ้ยเวียนหัวอยากอ้วกอยากอ้วกแกอุทานกระท่อนกระแท่นออกมาได้แค่นั้นก็เม้มปากหลับตาลงเอามือกุมหน้าท้องที่ขย่อนเป็นระลอกสตรีปลดวิทยุออกจากเกวอีกครั้งเรียกลงไปข้างล่างทันทีเบ เบร์ได้ยินและตอบได้ยินค่ะอาจารย์เตรียมเครื่องปฐมพยาบาลด่วนเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับกำ ม, มันตะภาพรังสีโดยเฉพาะออกซิเจนด้วยค่ะจัดการเดี๋ยวนี้ค่ะเอาทั้งสองคนลงมาทันทีเร็วที่สุดเสียงเบลและล่ำละลักมาเร็วปึ่งและโดยไม่ต้องนัดกันไว้เลยเชิดพุธกับจัน เข้าหามบุญคำร่องแรงพากันเดินลงไปส่วนคีธซึ่งรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงอยู่แล้วอุ่มคริสตินาไว้ในอ้อมแขนนำเดินไตลงมาทันทีเหลือก็แต่เพียงด็อเตอร์สแตนลีย์ซึ่งยังตัดสินใจยังไงไม่ถูกแน้มมองขึ้นไปด้านบนเพราะเขายังไม่ได้ข่าวใดๆของระพินเลยจากบุคคลทั้งสองอย่แล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไตขึ้นไปตามลพาพังคนเดียว ขณะนั้นเสียงเบร์กวิทยุก้องขึ้นมาอาจารย์อย่าขึ้นไปอย่าขึ้นไปลงมาเดี๋ยวนี้ฉันจะขึ้นไปดูระพินเขาตอบลงไปอย่างมั่นคงในน้ำเสียงที่สุดอาจารย์จะขึ้นไปยังไงคนเดียวเราช่วยคนที่รอดลงมาได้ก่อนเถอะถามอะไรความว่าระพินอยู่ที่ไหนเป็นยังไงก่อน ทั้งสองคนเน่ยยังพูดอะไรไม่รู้เรื่องซักอย่างฉันคิดว่าเขาคงได้รับอันตรายกว่าสองคนนี้มากทีเดียวละถ้างั้นก็รอเกิดกระเสยก่อนเดี๋ยวฉันจะส่งพรานเด็กหนุ่มสองคนขึ้นไปเป็นเพื่อนอาจารย์ขึ้นไปคนเดียวโดยไม่รู้อะไรแบบนี้ไม่ได้เสียงของเบนดังก้องและเฉียบขาดออกมาจากลําโพงวิทยุเล็กในมือของหัวห น, านา้าคณะเป็นผลใสนสแตลลีชั่งใจคิด หันกลับลงมาทางเบื้องหลังเห็นทั้งบุญคาและคริสกำลังถูกลำเลียงตามเนินภูเขาย่าตรงไปยังที่พักชั่วคราวของคณะและต่ำลงไปเบื้องล่างก็เห็นเกิดกระเซยกำลังไตเดียตามเนินหญ้าเขียวขึ้นมาอีกคู่หนึง่งจึงทำให้ต้องรีรออยู่ก่อนบุญคำนั้นพอเชิดบุตรกระจันช่วยกันหามร่องแรงลงมาได้หน่อยนึงก็พลิกตัวดิ้นแรง แสดงว่ายังพอมีกําลังอยู่ปล่อยอีกคําเอะ อ, อีกคํายังพอมีแรงนายทหารไปช่วยดูแมมคริสดีกว่าแกอ้วกจนไม่มีอะไรจะอ้วกแล้วแล้วก็กดินหลุด จ, จากการหามหัวหานท้ายของเชิดบุตรและจันทรหลนตุบลงไปกับพื้นคลานสีขาเชิดบุตรรองบอกให้จันทร์ช่วยดูแลแกด้วยตัวเขาเองแล่นทลาเข้าไปที่คิดซึ่งกําลังอุ้มคริสตินะ่า เสลุลลงมาเนื่องจากพี่มันเทลาดแล้วหลักไม่ดีพอจึงช่วยประทะยันรับไว้อีกคนเฮกคิดช่วยกันหามลงไปก็แล้วกันสองคนนายกับฉันคือนุ่มลงไปแบบนี้เดี๋ยวก็ล้มกลิ้งลงไปคอหักแ้วกันทั้งคู่หรอกนายพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยร้องบอกคิดเองก็เหนื่อยจนตาปลิ้นวางร่างกายส่วนล่างของคริสติน่าลง เชดวุฒิข้ามาควาข้อเท้าทั้งสองไว้แล้วทั้งสองก็ช่วยกันหามแม่ผมทองตุ ป, ปัดตุปเปลงมาซึ่งก็ยังดีกว่าที่จะให้คีดอุ้มลงมาคนเดียวในที่ลาชันและค่อนข้างลื่นนั้นส่วนบุญคำตอนนี้แกพยุงตัวขึ้นมายืนได้แล้วกอดคอจันไว้ยึดเป็นหลักเดินกระยองกระแยงลงมาแกอ้าปากหายใจหากหากแล้วสายหน้าไปมา ถึงบอกแม่จันซักถามอะไรแก่ก่อนทั้งสิ้เนเงื่องจากยังพูดไม่ออกทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาและในความรู้สึกของพักพวกทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่วิ่งสวนขึ้นไปรับหรือฝ่ายที่จับกลุ่ม ม, มจ้องเขมง็งมองกันอยู่ข้างล่างล้วนเต็มไปด้วยปริศนาอันหมดเนื่องจากยังสอบถามไม่ได้ความอะไรเลยขณะ น, นี้ระพินอยู่ที่ไหน แล้วเหตุใดทั้งสองซึ่งโซซั์โซเซก็ลงมาเพียงแค่สองคนวิทยุและปืนประจำตัวหล่นหายไปไหนแล้ว 90% เอร์เซนทุกคนคิดไปในทางร้ายทั้งสิน้นสตาลีเองในขณะนี้ก็แทบบ้าเพราะไม่สามารถเข้าใจอะไรได้เนื่องจากถึงจะพบแล้วสองคนรอดชีวิตมาได้ ก็ยังถามอะไรไม่รู้เรื่องท่าทางก็ดูย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่เกิดกระเรยรวดเร็วฉับไวสมกับความเป็นหนุ่มชะกันบัดนี้ทั้งคู่พุ่งปราดปราดขึ้นมาแล้วกระเสือดาวแล่นขึ้นที่ราบสูงสวนตรงขึ้นไปหาด็อเตอร์สแตนลีย์ตามคำสั่งของเบลในชั่วไม่กี่อึดใจอเมริกันอวุโสกำลังนั่งคุกเข่ขขารออยู่ก่อนแล้วตาสีฟ้าจ้องแนวนิ่งขึ้นไปด้านบน มันเป็นบริเวณทุ่งหญ้าป่าสนอีกระดับชั้นหนึ่งที่มีระดับสูงขึ้นไปโดยมีแนวหินขึ้นเป็นทิวกั้นไวระหว่างที่พรานหนุ่มทั้งสองของระพินมาสุดตัวอยู่ใกล้ๆไหนฮะนหนฮะกลับลงไปดีกว่าให้เกิดกระเสริสองคนขึ้นไปดูพรานใหญ่เองเกิดพูดขึ้นมาเสียงหอบๆสแตลลีสั่งสีสักมือตบหลังเด็กหนุ่มทั้งสอง เกิดทุกคนไม่มีใครอยากเสี่ยงชีวิตถ้าไม่จาเป็นแต่ครั้งนี้มันจำเป็นมากนะระพินกาลังอยู่ในระหว่างอันตรายฉันจะต้องขึ้นไปค้นหาเขาด้วยตัวเองเพราะอย่างน้อยฉันก็ยังพอรู้วิธีที่จะช่วยเขาเฉพาะในเรื่องนี้ได้ดีกว่าเกิดกะระสือเอาละสองคนชนานาญทางดีกว่าฉันนำขึ้นไปไม่มีปัญหาใดๆสำหรับพรานหนุ่มคู่ใจของระพิน ทั้งสองไต่นำหน้าขึ้นไปก่อนทันทีสแตลีตามติดๆทั้งสามคนเดินขึ้นในลักษณะโน้มกายไปเบื้องหน้าเพื่อฝืนต่อความเทลาดของสถานที่และแรงดึงดูดของโลกบริเวณนั้นมันไม่เอียงชันจนเกินไปนักและห่างขึ้นไปอีกเพียงไม่เกินยี่สเมตรก็จะถึงไหลาทางด้านบนอันจะทำให้มองเห็นภูมิประเทศบนนั้นได้ถนัดตาขึ้น รู้สึกว่าจะมีกลิ่นหญ้าและใบไม้สดๆถูกไฟเผาโชยมาสัมผัสจมูกและบนท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปยังตำแหน่งด้านบนนั้นก็สังเกตเห็นกลุ่มควันบางส่วนลอยขึ้นเบื้องบนแต่ถูกลมพัดกระ จ, ระจายไปหมดเหมือนมีใครเผาต้นไม้ใบหญ้าแม้จะไม่นาทึบมากไม้นักก็ตามเกิดและเฉยเชีย่ย ห, หัวหน้าคณะดูทันทีในห้าง มีต้นหญ้าต้นไม้ถูกไฟไหม้อยู่ข้างบนน่ะสเตลีมีสีหน้าวิตกห็นชับหน้าปาดของเขาย่นและเครียดเต็มทีกระพินคงไม่เผาหญ้าไล่ตัวนั้นแน่แน่ใช่ไหมถั้าสองคนรู้สึกยังไงมั่งเนี่ยร้อนผิดปกติไหมทั้งคู่สั่นสีรัะ ก, ก็ธรรมดาในหะะ้าไม่ได้รู้สึกร้อนผิดปกติอะไรเกิดและเสยตอบตามความรู้สึกที่แท้จริง ไม่รู้คริสเอาเครื่องวัดไปทิ้งที่ไหนดิตอนสวนลงมากระบุญคำสองคนเมื่อครู่นี่ก็ไม่เห็นติดมืออยู่ด้วยเขาพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตัวเองและไต่สูงใกล้ไหลเนินขึ้นไปเป็นลำดับด้วยสติสัมปชัญญะที่พร้อมมูลสำหรับพานเด็กหนุ่มของรพินทั้งคู่ไม่มีอะไรจะต้องลังเลเลยเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าตะไภัยพิบัติได้เสมอทุกรูปแบบแม้แต่ความตาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้านายของเขาซึ่งกลายเป็นปริศนาอยู่ในขณะ น, นี้ทางด้านล่างริมป่าสมใต้ก้อนหินนั้นเป็นตำแหน่งพักชั่วคราวของคณะเชิดวุธคีดและจันนำเอาคริสติน่าและบุญคำลงมาถึงแล้วอย่างเร่งด่วนที่สุดเบรเองก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วอาการเหน็ดเหนื่อยของแพทย์สาวประจาคณะแพทย์จะสลายไปหมดสิ้นเมื่อถึงนาทีวิกฤต จำเป็นเร่งด่วนเข้ามาแทรกซ้อนหล่อนสั่งให้คิดกระเชิดวุธทำหน้าที่ผายปอดให้บุญคำและบอกให้แกนอนสงบนิ่งๆอยู่ก่อนโดยให้สูดลมหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าออกลึกๆเพราะสังเกตเห็นว่าบุญคำมีอาการไม่น่าวิตกเท่าไหรนะ่นักส่วนแม่เพื่อนสาวผมทองซึ่งเห็นชัดว่าป่วเปียกอีกโรยผิดปกติไปมากหล่อนปาดตรงเข้าไปตรวจดูด้วยตนเองพร้อมเครื่องมือทันที คริสติน่าหรือไลล่าอาเมเตะขณะนี้นอนหายใจะระวยดวงตารีโรยหน้ายังซีดปราศจากสีเลือดอยู่เช่นนั้นอัตราชีพจรเต้นทีเร็วกระสับกระส่ายเหมือนจะหายใจไม่สะดุกก่อนอื่นเบร์เอาฝาครอบพลาสติกของเครื่องช่วยหายใจขนาดจิ๋วสำหรับใช้ในยามฉุกเฉินครอบที่จมูกทันที หายใจลึกๆนะหายใจลึกๆเธอเหนื่อยแล้วก็ตกใจมากผมไม่เป็นอะไรมากหรอกฉันตรวจดูแล้วไม่มีร่องรอยอันตรายใดๆจากสภาพผิวหนังภายนอกหลอนกระซิบบอกเร็วเปรือกคริสติน่าหลับตาลงหายใจอยู่ในครอบหน้ากา ก, ากของออกซิเจนมือทั้งสองซึ่งมีสภาพคล้ายๆเป็นตะคริวอยู่ในลักษณะกำแน่นเกือบจะเกรง็ง เดินเตรียมยาฉีดพิเศษไว้ก่อนแล้วดูเหมือนจะเกี่ยวกับในเรื่องนี้โดยตรงใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดปราดปราดไปที่ท้องแขนข้างหนึ่งแล้วเสือกปลายเข็มค่อยๆเดินตัวยาขนาดไม่เกิน 3-4 มสี่ซีซีเข้าไปอย่างช้าๆพอถอดออกก็ก้มลงกระซิบว่าเอาละ่ะคริสนอนพักนิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวคงดีขึ้นเงีง แล้วเบงก็พระหันขวับไปทางบุญคำซึ่งยังนอนท้องขะแมว ล, ลืมตาพโพลงหายใจสี่โครงบานอยู่อาการของแกดูจะไม่เป็นอะไรมากนะักแต่หล่อนก็จัดการฉีดยาชนิดเดียวกับที่ให้คริสเช่นกันการช่วยเหลือคนเจ็บทั้งสองชุนละมุนแข่งกับเวลาโดยมีเชิดวุธและคีตเป็นผู้ช่วยแต่ก็ดำเนินไปอย่างไม่มีอะไรคลุกขลักหรือมัวแต่เง ง, งะอยู่ มันหมายถึงทีมงานที่สามารถประสานร่วมมือกันได้อย่างดีจากประสบการณ์เคยชินระหว่างปล่อยให้นอนพักเพื่อรอดูอาการของทั้งสองเดนสั่งไม่ให้คีดติเชิดวุฒเข้าไปรบกวนสอบถามอะไรบุญคำหรือคริสตินาก่อนทั้งสิ้นทุกคนต่างมองขึ้นไปด้านบนซึ่งเห็นหัวหน้าคณะและพรานเด็กหนุ่มทั้งคู่พากันตายขึ้นไปยังตะพักของเนินชั้นบนที่ห่อกันลงมานั้น แล้วก็รับมุมทิวโคหินหายขึ้นไปด้วยใจอันเต้นระทึกเปิดเครื่องวิทยุรับส่งไว้พร้อมที่จะสดับฟังข่งขาวขณะนั้นเองคริสตินา่าผู้นอนดมออกซิเจนอยู่ก็ถอดที่ครอบพลาสติกบนจมูกออกค่อยๆ ย, ยันกายขึ้นมานั่งเบร์คีดและเชดวูดก็ถะลันเข้าไปล้อมรอบกายทันที เขาอยู่บนนั้นไม่รู้เป็นยังไงบ้างระหว่างสั่งให้บุญคำเอาฉันวิ่งหนีลงมาแม่นักเคมีฟิสิกสาวพูดออกมาได้เป็นประโยคแรกเสียงแหบแห่งคริสตอนนี้เธอรู้สึกเป็นไงมัง่งทั้งสามถามขึ้นเป็นเสียงเดียวโดยเฉพาะเบนจับไหลไว้ยังยังพลีพลีอยู่แต่ก็ดีขึ้นมากแล้ว เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเป็นยังไงก่อนที่เธอกระบุญคําจะพากันวิ่งลงมาคิดถามอย่างกระวนกระวายเราพบมันกระทำหันเนะี่ยกระทำหันมากไม่ทันรู้ตัวเลยลอนบอกมาอย่างยากเย็นทีแรกก็เดินตามรอยของมันไปตามปกตินะมาดวัดก็บอกอัตราปกติไม่เกินห้าสิบอาตลอด พอรับมุมของโคถิ้งก้อนใหญ่เท่านั้นรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้ขึ้นมาอย่างกระทันหันมาตรวัดขึ้นมาเป็นร้อยอามองออกไปทางด้านทุ่งหญ้าขวามือเราเห็นพื้นหญ้าเขียวสดดำเกรียมเป็นทางห่างออกไปเล็กน้อยมีไฟลุกติดเป็นแนวออกไปบางช่วงเหมือนใครเอาเบนซินไปราดแล้วจุดไฟ ให้ลุกเผาหญ้าสดเปลวไฟไม่มากนะักแต่มันก็เปลนเปลวลุกไกลออกไปอีกบนชะงอนหินที่เรามองตามแนวทางนั้นเยื้องฝั่งขวามือของเราเรามองเห็นมันเห็นมันชะเง้อมองเรามองเรานิ่งๆอยู่ในระหว่างซอกหินบริเวณนั้นระยะไม่ห่างนะ ตอนนั้นแหละที่ฉันเริ่มอาเจียนเขาวิทยุบอกไปยังพวกเราที่ตามมาข้างหลังแล้วให้ให้บุญคำเอาฉันวิ่งตัดเข้าหาไหลาทางซีกซ้ายมือเร็วที่สุดฉันฉันวิ่งไปอาเจียนไปอากาศตรงนั้นเหมือนไม่มีพอจะหายใจได้ปืนกระเรเดียชันเซเวมิเตอร์พลัดตกจากมือฉันเมื่อไหร่ไม่รู้บุญคำเองก็ปืนหลุดมือ ได้ยินเสียงเขาตะโกนไล่มาไม่เราทั้งสองสนใจอะไรอีกให้หนีโดยเร็วที่สุดไม่ยอมไม่เราเสียเวลาแม้แต่จะเก็บของที่หล่นอยู่คริสตินาหยุดเอามือกุมขมักอาการคลื่นเฮียนวิงเวียนดูเหมือนจะมีร่องรอยเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยแล้วเขาล่ะรพินล่ะชื่อุธถามเกิดจะเป็นเสียงตะโกนคริสตินาสั่นสีสั่งฉัน ฉันไม่รู้บอกแล้วว่าเห็นเขาครั้งสุดท้ายเขายืนอยู่ริมทางเลื้อยไปของมันตรงที่กอหญ้าลุกเป็นไฟหย่อมนึงแล้วตะโกไล่มาบุญคำเป็นคนกระชากฉันจนเกือบทุกอย่างที่ติดตัวอยู่ตกหล่นไปหมดหล่นหลุดปากออกมาด้วยอาการเหมือนสำลักมาดวัดครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะสั่งให้เธอหนี เธอสังเกตหรือเปล่าว่ามันขยับมากขึ้นไปกว่าร้อยเรือนเกนหรือเปล่าเบียนซักเร็วปริษมันอยู่ในระหว่าง8ปดสิบถึงร้อยนี่แหละฉันทนไม่ได้และบุญคำก็แทบล้มทั้งยืนแล้วจากรังสีกัมมันดาภาพสังเกตไหมเขามีอาการอย่างที่เธอหรือบุญคำเป็นหรือเปล่าคิดยิงคำถามช้อนมา ชนิดแทบไม่ยอมไม่หล่อนทันหายใจชันไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ดูเหมือนคริสติน่าจะตอบได้ซ้ำๆแค่ประโยคเดียวนายพันเอกแห่ง U.S. Army ช่วยวิทยุที่ตั้งอยู่ตรงนั้นขึ้นมากรอกคำพูดลงไปเกือบจอตกนเฮ้บอกระวังระวังกรรมตาพา ถ้าพบพระพิณใกล้พอจะเาตัวลงมาได้ก็ให้เอาตัวลงมาเร็วที่สุดแต่ถ้ายังไม่พบไม่ต้องคน้นกลับลงมาก่อนแกต้องสวมชุดป้องกันรังเสียอันตรายก่อนที่จะค้นหาเขาห่างไกลออกไปได้ยินไหมได้ยินตอบด้วยทุกคนที่อยู่เบื้องล่างเริ่มใจหายอีกครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบใดๆลงมา อเมริกันหัวหน้าคณะที่หายขึ้นไปด้านบนนั้นมาให้ได้ยินต่างกันมองหน้ากันเองลอกแล้แต่แล้วอึดใจใหญ่ต่อมาทั้งหมดก็พหวาขึ้นโดยอาการตื่นเต้นเมื่อมีเสียงชัดเจนแต่เร่าร้อนของสเตลีดังก้องออกมาจากลำโพงจิ๋วของวิทยุมือถือว่าเราพบปืนและ ว, วิทยุมือถือของคริสกบุญคำที่ตกอยู่แล้ว แล้วก็พบมาดวัดรังสีที่ตกอยู่ใกลใ้ๆด้วยแต่ยังมองไม่เห็นเลยว่าระพินอยู่ที่ไหนคริสติน่าและเบนพรวดเข้ามาที่คิดผู้กำลังถือวิทยุอยู่ในขณะนี้ทันทีในขณะที่บุญคำผู้นอนประสานมือนิ่งอยู่บนหน้าอกก็หวาลุกขึ้นหน้าตื่นเลิกละกทั้งสองฟังฝ่ายที่ใช้ภาษาของพวกตนเองในการพูดติดต่อแค่ฟังไม่รู้เรื่อง เชิญพูดอธิบายให้ทราบโดยเร็วแก้คลาเข้ามาล้อมวงอยู่ด้วยได้ยินที่ฉันพูดเมื่อกี้ไหมได้ยินไหมบ๊อบคิดถามเร็วป ร, รือออกไปได้ยินแต่กำลังเดินตามเก็บของอยู่เลยไม่ได้ตอบมาในทันทีเสียงวิทยุติด ต, ต่อทา ง, งานได้ดีมากชัดเจนปกติดีเหมือนเดิมเสียงตอบลงมาในสภาพเดียวกัน พบเรเดียชันหรือเซเวมิเตอร์แล้วพบยังใช่ใช่ใช่ใช่พบของทั้งหมดที่ทั้งคริสและบุญคำทำตกไว้ในบริเวณนี้ก่อนอื่นตรวจสอบมากรดเดี๋ยวนี้นะรังสีกำมันตาภาพอยู่ในระดับไหน